นาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัษฎคือ481ภิกษุผู้เรียนพระพุทธพทจนะที่อาจารย์สอนให้ว่าพระพุทธทวจนะพร้อมกันกับอนุปสัมบันฑสองภิกษุผู้สาธยายพร้อมกัน3ภิกษุผู้ช่วยอนุปสัมบันฑผู้สวดคัมภีร์ที่คล่องส่วนมากสวดวงเล็บส่วนที่ไม่คล่องพร้อมกันกับตน 4. ภิกษุผู้ให้อนุประสัมบันฑที่สวดคลาดเคลื่อนไปสวดใหม่พร้อมกันกับตน 5. ภิกษุวิกลจริต 6. ภพิกูุต้นบัญญัติปท ะ, ะโสธรรมสิกขาบทที่ 4. จบ